ขอความสุขความเจริญสุงีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงถามจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกาลังนำเสนอเรื่องพระสารีบุตรในพระธรรมบทก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วเราเจตว่าเรื่องราวต่างๆของพระสารีบุตรในพระธรรมบท ก็ไปยึดโยงอยู่กับพระพุทธธรรมรัตของพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็ส่งปรารบพระสารีบุตรเทระเรื่องนี้พระโรมัาสดาส่งปรารบพระสารีบุตรเทระประจำบัรษาอยู่ที่บิหารสุนบทแห่งหนึ่งพร้อมด้วยภิกษุประมาณห0 0รูป หมู่มนุษย์ในที่นั้นชักส่วนกันถวายผ้าจำนำปรรษากระโอกพรรษาแล้วท่านรีบมาเสก่อนบอกไิสูุสามเณรที่มีความต้องการผ้าจำนำปรรษาให้ไปสู่วิหารชนบทนั้นพระภิกษุทั้งหลายจึงประชุมพูดกันว่าสรอยประสาริบุตรเถระจะยังมีตัณหาอยู่ พระศาสดาและเสด็จมาในที่ประชุมนั้นสัตว์ว่าตนาไม่มีแก่สาริบุตรจะบอกด้วยความหวังบุญแก่มนุษย์ทั้งหลายและหวังลาบอันชอบธรรมแก่ึิสู่สามเณรดังนีเ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตตัว อ, อย่างหนึง่ง ท่านหลายลองนึกดูว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวัดอยู่ตอนนี้ก็สามมื่นกว่าวัดวัดที่มีพระสงฆ์ถือว่ามากที่สุดนี่คือวัดพระธรรมกายกับราบมีร่วมพันพระดึงแต่ก่อนเนี่ยเช่นวัดม า, าธาตุก็ดีวัดโพก็ดี ก็จะมีพระอยู่แถวห้าร้อยรูปนอกจากนั้นเราก็ไม่มีพระมากขนาดนั้นแต่ว่าสังคมส่วนใหญ่ในเป็นชาวพุทธพระฉะานั้นเมื่อมีพระอยู่ต่างคนต่างก็ช่วยกันดูแล้อาใจใส่บางวัดอาจจะจัด วาระที่เรียกวเวณคือเกาะกลุ่มกันจะเป็นเจ้าภาพดูแลภิกษุสามเณรตลอดนั้นก็อยู่กันได้บางวัดกว่าจะมีการปรุงอาหารมีแม่ครัวปรุงอาหารเลี้ยงดูพระก็อยู่กันได้ แต่ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นสาวบทั่วไปไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาพุทธนสนาก็เป็นศาสนาที่เพิ่งเกิดขึ้นและจะเริญเติบโตอยู่ในท่ามกลางศส า, สสาสนาอื่นต้องการที่มีพระเดินทางไปเป็นห้ารอรูป อย่างตอนพระพุทธาศาสัรู้ใหม่ๆเดี๋ยวเราลองสังเกตว่าตอนเสดด อ, อกจากขยะศีรษะหลังจากแสดงอธิตตะปริยาเยสุจบมีพระตามเสดไปที่ลัติวันสวนตาห น, นมที่กรุงรัชครึกถึงหนึ่งพันรูปตอนนั้นพระพุทธาศาสนาก็เพิ่งโผล่เข้าไปในกรุงรัชครึก แต่ว่าท่านเหล่านั้นก็กจัดกระจายกันไปเที่ยวบินธบาตก็ได้อาหารที่สามารถยังชีวิตได้เป็นไปได้มันเป็นการสะท้อนภาพอย่างหนึ่งทางสังคมคือสังคมในยุคนั้นคนสนใจในธรร ม, มามากการปฏิบัติของใครก็ตามที่มีกิริยาท่าทางน่าสนใจ มีรูปแบบที่น่านสนใจชาวบ้านก็เกิดสตารเลื่อมใสธนุบำรุงด้วยจตุปัจจัยจนถึงบางท่านที่มีฐานะเป็นเศรษฐีก็ตั้งเป็นโรงทานขึ้นมาแต่โรงทานนั้นส่วนใหญ่ก็เลี้ยงดูพวกยาจกว่าใพวกผวกขอาทานต่างๆ พระท่านไม่ไปฉันตามโรงทานหรอกก็รเรียกว่าเที่ยวพิกขาจานคือเชี่ยวไปเพื่อก้อนข่าวเป็นสัญญาณให้ชาวบ้านเขารู้ว่าที่เดินไปเนี่ยเพื่อต้องการจะได้รับอาหารจากชาวบ้านแต่ก็ไม่ได้มีการบอกกล่าวด้วยวาจาเงี้ยแต่ว่าอุ้มบาทไป ผมชิวอนเรียบร้อยอุมบาดไปสัวใจก็ไปเป็นแถวแต่ว่าแถวหนึ่งจะมากหรือจะน้อยนี่ก็รู้ไม่ได้เหมือนกันแต่สรุปแล้วว่าต้องกระจายอ่ะอย่าสมมติว่าเราอยู่วัดบวณเราเนว่าใกล้วัดบวรเนี่มีวัดเป็นอันมากที่บินทบาดสวนกันไปสวนกันมา ที่ใกล้กันมากก็คือวัดชนะสงครามวัดสังเวชวิศรัยรามวัดสามพระยาวัดอินวัดเอี่ยมวัดตรีวัดสเกตวัดราตดาวัดเทพธิดาแล้วก็ไปโน่นก็ไปวัดชนะสงครามวัดมหาไม่ใช่วัด วัดสุทัต์วัดมหาธาตุเนี่ยแล้วบริเวณตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นวังก็เป็นสถานที่ราชการเป็นอาคารพาณิชย์ไม่ใช่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยคนชาวบ้านจากด้านนอกเนี่ยก็นำอาหารใส่รถแล้วมาจอนรถในริมถนน พระวัดใดก็ไม่รู้แหละมาถึงก็ก็กระตักปากก็เลี้ยงดูพระกันมากี่ร้อยปีแล้วเราก็ไม่รู้หรอกสมัยก่อนชาวบ้านก็น้อยกว่านี้พระก็อาจจะน้อยกว่านี้แต่เราอยู่ในสังคมพุทธเนี่ยมันไม่ค่อยแปลก ทีนี้การที่ยวจาริกในลักษณะนั้นการเลือกที่จำพรรษาในลักษณะนั้นวิธีการก็คือพระก็เดินไปเป็นแถวไปเยอะก็มีหมู่บ้านเป็นยอมเป็นย่อมเป็นยอมปยอม ป, น ย, มปนยอมไปชาวบ้านหมู่ใดที่เกิดสนใจพระขึ้นมาก็จะออกมาสอบถาม ว่าพระกุญเจ้าไปไหนกันท่านก็บอกว่าไปหาชี่พำนักเพื่อจําพรรษาในฤดูฝนจต่วบบันที่สถานนั้นเขาก็จะรีบกลับไปแจ้งไปนัดประชุมในมณฑลพระอัยพักรออยู่ก่อนไปประชุมบอกว่าเวลานี้มีพระห้าร้อยรูป อีปสาริบุตรเป็นประธานกำลังเที่ยวสแสวงหาที่จำพรรษาอยู่พวกเราพร้อมกันไหมถ้าจะช่วยเป็นเจ้าภาพดูแลพระโดยการสร้างกระตอบคือกุฏิเล็กๆถวายรูปหลังแล้วก็รับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูท่าน ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็าสบายมากเพราะว่างานใหญ่มันได้เกลียวออกไปเจ็บ้านหนึ่งอาจจะรับพระได้รูปหนึ่งอาจจะสองรูปสามรูปสี่รูปก็แล้วแต่ใครมีฐานะทางเศรษฐกิจ ด, ดีก็รับมากหน่อยใครมีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีก็ลดหลั่นก็ลงมาแต่อย่างน้อยก็หนึ่งรูปแหลรับได้ทําไม่งานใหญ่คือพระตั้งห้าร้อยเนี่ย แต่พอแบ่งเอาไปแล้วปรากฏว่าไปอยู่ในความดูแลของคนหลายร้อยเหมือนกันคือบางหมู่บ้านก็อาจจะเกินห้าร้อยบางหมู่บ้านอาจจะไม่ถึงพอดีหมู่บ้านนี้คนเขามีศรัทธาภาษาธรรมากแล้วสถานะทางเศรษฐกิจดีเขาตวัวไหวผ้าจำนำพันษา คือถวายก่อนที่จะออกปรนษาแล้วถวายกันมากศา ส, สาลิบุตตังก็เห็นว่าชาวบ้านถวายมากไปมันควรจะกระจายให้ญาติโยมได้กระจายผ้าออกไปเลยก็สั่งเสียภิกษุโดยในญาตนังกล่าวแล้วก็ เมื่อไปถึงที่อื่นปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาขาดแคลนไม่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมันแถวนี้แต่นี้ยังอยากถวายมากแต่วบางแห่งนั้นอยากถวายแต่ไม่มีกำลับบงทรัพย์อาจารย์ก็บอกพระเหล่านั้นเพื่อ ว่าถ้าใครต้องการพระจำนำพรรษาก็สามารถไปที่หมู่บ้านนั้นได้อาการอย่างนี้ที่จริงมันเป็นอาการของผู้อนุเคราะห์ต่อชาวโลกหมายความว่าชาบ้านเขาก็พร้อมก็เรียวกว่าปฏิคาหกคือผู้รับฐานนี่ก็พร้อมตายยกคือผู้ที่จะให้นี่พร้อม ผ้าที่จะนำมาถวายก็มากต่พระเพยียงห้าร้อยไปรับมันก็เกินความจำเป็นไปปรากจ่ใจจีวรหรือเฟื่อมากมันก็รุงรังแล้วานก็ต้องการน้าญาติโยมได้ทำบุญมากจิ่งขึ้นแล้วชาวบ้านก็ได้ผ้าจำาำพันษาตามสมควรแก่ความจำเป็นที่บังเกิดขึ้น แต่มันกลับก่อประเด็นให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยคือปัญหาเรื่องความสงเครือบเครือบแครลงสงสัยนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ครัเราเห็นว่าพระเหล่านี้ที่จริงก็เป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรแล้วก็ไปจํำภรษาอยู่กับพระสารีบุตรแต่ทําไปทำมาเกิดสงสัยอาจารย์ตัวเองเกิดสงสัยแม้ในอุปชัยยะอาจารย์คนรุง่ง ตำหนองใล้ๆกับพระเถระไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์วันออกพรรษาเนี่ยพระเถระก็มีเรื่องเร่งเร่งด่วนหมายความว่าวันออกพรรษาเนี่ยพระสามารถจะไปจากที่นั้นได้โดยไม่ขาดปริษาวันออกพรรษาก็คือวันชักพระนะฮะวันชักพระวันเทโวโรหณนะ ส่วนวันขึ้นสิบ้าคำเขาเรียกวันปวนาแต่ยังไม่ออกปรรษาสายเรียบร้อยก็ต้องนอนที่วัดสักคืนหนึ่งก่อนและรุ่งเช้าจึงจะไปแต่สารีบุตรท่านมีธุระจำเป็นที่จะไปท่านก็ไปหลังจากออกปรรษาไปแล้ว บอกไปสู่สามเณรที่มีความต้องการพระจำนำพรรษาให้ไปสู่วิหารชน บ, บุรนั้นหมายความว่าเมื่อท่านไปถึงที่ที่ท่านประสงค์จะไปเนี่ยพระเนชุดอื่นนั้นไม่ใช่ชุด5้าร้อยเป็นพระเนรชุดอื่นก็บอกให้ไปในสถานที่นั้นมันจะเทียบง่ายๆคล้ายๆเราเดินบินธบาตเนี่ย ไปเจอปรากฏว่า ญ, ญาติโยมเตรียมอาหารมาเยอะเลยแต่พระเดินบินธบาตกระติดกระปลอยานานๆจะโผู่มาสักรูปน่อันนี้แน่นอนแหละถ้าปล่อยสถานการณ์ปกติเนี่ยโยมก็ไม่มีโอกาสตักได้หมดหรอกอาหารมากเกินพระไปพระรูปที่เปบินทบาตมาแล้วในสถานที่นั้น ก็พบใครท่านก็บอกเพื่ออะไรเพื่อสงเคราะห์ภิกษุรูปนั้นให้ได้อาหารและสงเคราะห์ชาวบ้านให้ได้ตักบาทเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากกรุณาต่อบุคคลทั้งสองฝ่ายคือทางผู้ให้และผู้รับอาการเหล่านี้ภิกษุท่านมองเป็นว่า เะลอยเป็นสารีบุตรเทระยังจะมีตัณหาอยู่คิดก็บาปแล้วนะฮะหมายความมาคิดถึงพระอาหารอย่างนั้นก็บาปแล้วผูเจ้าก็รู้ความคิดของท่านแล้วก็เริ่มคุยแหละถกเถียงแหละตั้งวงคุยละพอตั้งวงคุยมันเป็นเรื่องความเห็นมันไม่ใช่ข้อยุติละ ต่างคนต่างก็แสดงความคิดเห็นไปตา ม, มาวุฒิภาวะของแต่ละคน ถ, ถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็แล้วแต่พระัุทธเจ้าก็เสด็จมาอธิบายชี้แจงให้ที่ประชุมนั้นทราบปัญหาประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของตัณหาตัณหานั้นท่านแสดงว่า บุคคลที่เป็นธาตุของตัญหานั้นจะมีแต่ความเดือดร้อนเราอยากมากเท่าไหร่เนี่ยใจเราไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอไม่หยุดไม่เริ่มไม่รู้เมื่อไหร่มันจะหยุดอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นอนอยากได้มากมากแล้วปัญหามันจะตามยืดเยื้อมา ประหาจะตามยาเยอะๆมาบางครับางคราเรามีคนมานิมนต์ไปคนคนนัดหมายเป็นกลุ่มๆอยู่เจ็ดในสวนศิลิกรบ้างในสวนหลุมบ้างในสวนต่างๆเนี่ยเขาก็มานิมนต์พระไปพระไปก็ประมาณสิบรูปแต่คนที่รออยู่นี่เราก็ไม่รู้เท่าไหร่ ไปถึงพระโกฏกโคดเยอะเลยแล้วก็ญาติโยมเตรียมเป็นถุงใหญ่ๆเอาไว้เขาก็ตักบาทเสร็จก็จับใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงบรรทุกรถหกล้อมาถุงบางทีรถตั้งสองสาคับนบรรทุกมาสุขปัญหาว่าพระเราแค่สิบรูปเท่านั้นเอง เราจะเอาไปไหนล่ะในสุดก็ต้องให้ช่วยกันเคลียร์แยกประเภทของของกินของใช้ของมีอายุยาวมีมีอายุสั้นปะตีก็ติดต่อประสานไปที่ศาลก็ได้นะฮะที่ศาลก็ได้ที่ที่เขาเลี้ยงเยาวชนก็ได้ เรามีรถเราก็พาไปให้เองถ้าไม่มีก็ให้เขาช่วยมารับไปเพื่อทําห้มันเปิดประโยชน์เกิดประโยชน์ให้ได้แล้วเพราะถ้าในกรณีเช่นนั้นแม้ในกุติอื่นคณะอื่นมันก็อีกกันแหละมันก็เกินความจำเป็นแล้วก็หาทางกระจายแต่ว่า น, น, นานๆจะเกิดขึ้น ตามปกติพระจะมีความรู้สึกนะว่าพระวินัยพุทธานุญาตเนี่ยอนุญาตให้รับได้ในสถานการณ์เช่นนั้นเนี่ยนะในสถานการณ์ที่คนมันเยอะแต่พระน้อยเนี่ยเอาแหละพิเศษรับได้ไม่เกินสามบาทแต่สามบาทเวลนี้ก็นับยากนะฮะโพราคนก็ใช้ของเป็นหอ่หอ บางทีใส่บาทไม่ลงเลยเลยในห่อนั้นไม่รู้อะไรบ้างบางทีสามบาทแล้วเนี่ยข้าวนิดเดียวตัวเองนะของอย่างอื่นเนี่ยมันเยอะข้าวก็มีอยู่เพียงเล็กน้อยจต่นั้นเองเดี๋ยวสรุปว่าก็พยายามที่จัดจัดจัดไปแจกส่วนใหญ่ที่วัดบวรเนี่ยก็นึกถึงคนแก่บางแคล ก็นั่นจะนําไปส่งที่บางแครแต่กร น, นี้ประสานกระสานนะฮะไว้ส่งคนมารับแต่ว่ามันต้องประสานในช่วงที่กรณีพิเศษอย่างเนี้ยือยามทั่วไปพระกพ็พอฉันเท่านั้นเองเด่นว้แต่สถานการณ์พิเศษก็คงปีนึ่งห้าหครั้งเป็นอย่างมากไม่เคยมากเท่าไหร่หรอก พระเหล่านี้มีตัณหาแต่ก็ไม่ได้แสดงตัณหาหมายความมาตัณหาในการรับมันก็มุ่งอนุเคราะห์ชาวบ้านน่ะเขาอุตส่าห์มาตักแล้วจะไม่รับก็ได้ย่างไงตัณหาในการบริโภคท่านก็บริโภคเฉพาะบริโภคแต่ท่านเกิดจิตคิดอนุเคราะห์ต่อชาวบ้าน บาณเด็กราชวิถีเป็นต้นนี่ยเนี่ยต่อคนแก่ที่บังแคต่อคนที่มาขึ้นโรงขึ้นศาลยังไม่ได้กินอาหารคือในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราคิดว่าหนึ่งในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรของวัดทุกทุกวัดนะในประเทศเนี่ยมันจะมีคนจนคนลำบากคนไม่มีกินอยู่ ถ้าว่าจิตใจของเราได้เผื่อแผ่นึกถึงคนเหล่านี้อยู่บ้างสงเคราะห์นุเคราะห์กันบ้างก็จะเกิดประโยชน์มันเป็นความสุขนะจากการให้เนี่ยบนการกระทำของปสารีบุตรเถระที่พระพุทธเจ้าส่งประกันว่าตระหาไม่มีแก่สารีบุตร เตือบอกด้วยความหวังบุญแก่มนุษย์ทั้งหลายและหวังลาบอันชอบธรรมแก่ภิกษุสามเณรไอ น, นี้คือเรื่องจริงหมายความมาชาวบ้านเขาก็ดีใจพอเห็นพระมาเพิ่มเนี่ยประของก็เหลือเขาก็ดีใจอ่ะตั้งแต่เห็นแล้วเขารู้สึกดีใจ ในขณะตักเขาก็ดีใจหลังจากตักไปแล้วเขาก็ดีใจ แ, แสดงว่าเจตนาทั้งสามการนั้นดีในขณะเดียวกันพระก็ได้แก้ปัญหาหรือปั จ, จัยศีของตัวเองลงไปได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนดิ้นรนแสวงหาไปในที่ต่างๆ ก็เป็นการเฉลี่ยลาบขึ้นกันแล้วกันเจ้าจึงรับสั่งไว้เป็นพระพุทธดำ ร, รัสว่าความปรารถนาของผู้ใดไม่มีอยู่ในโลกนี้และในโลกหน้าความปรารถนามันก็เกิดขึ้นจากความโลภ คือหมายความมาเอาเราไปเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านั้นโดยความรู้สึกกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเรามีฐานะอย่างนั้นควรจะได้ของอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นก็สแสดงว่ามีความปรารถนา เดวยวี้ความปรารถนามันเป็นกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะเป็นใจที่เอกสันอยากปรารถนาไขว้าเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อถือครองเพื่อครอบครองสิ่งที่ตนต้องกา ร, รบรรดาใดที่ยังยามีความปรารถนาอยู่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอิจฉา อิจฉาคือความปรารถนานะไม่ใช่ริ์สยาตถ้าฤิษสยาก็เรียกว่าอิจฉาสอเสือถ้าชอจิงแล้วก็เป็นความปรารถนามันไม่แรงถึงกับโลภหรอกไม่แรงถึงกับเพ่งเล็งโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นไม่คำนึงถึงการได้อยู่ คำหนึ่งถึงวิธีการได้อยู่แต่ก็ยังมีความปรารถนาอยู่คือบางทีนี่ไม่แค่ปัญหาใจตัวเองไม่ได้มีภิกษุณีรูปหนึ่งท่านชื่อทุละนันธาพวกนี้สี่สาวนะสี่คนพี่น้องนี่บวชหมดเลย ทุลละนันธาสุนทรีนันธาอ่นันธานันธาตังนั้นน่ลงนันธานันธาเนี่ยก็มีประวัติบางท่านก็โลดโผนมากทุลละนันธากับสุนทรีนันธาเนี่ยมีปัญหาในด้านความประพฤติมากก็ก็แสดงว่าหน้าเพลิดเพลินชุดชมะแต่ทุลละนี่แปลว่าอ้วนนะฮะทุลละนี่แปลว่าอ้วน ท่านก็บวชหลายปีแต่ความปรารถนาภายในใจของท่านมันไม่ลดอไปบินตบาทด้วยกันบินตบาทด้วยกันตามปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการดักบาตร่มันค่อนข้างมาตรฐานนะหมายความมาท่าเขาตักเลยทัพีก็เท่าเท่ากัน อาหารก็ทำเป็นถุงเป็นอะไรมาก็เท่าๆกันสมัยโบราณเนี่ยยังคิดว่าคงแนวที่ก็ทำอยู่ในปัจจุบันนี่แหละหมายความมาหยิบใส่ภาชนะถ้าจะใกล้เคียงเนี่ยก็แนวตักบาทที่อีสานก็หยิบข้าเหนียวใส่แล้วก็มีคนก็ให้อาหารหรือว่า นำอาหารไปถวายทีหลังตุลาณันทาภิกษุณีมีความรู้สึกว่าในบาทของท่านเนี่ยอาหารมันน้อยกว่าในบาทคนอื่นขอเปลี่ยนจากองค์ที่สององค์ที่สองก็ไปเปลี่ยนก็องค์ที่สามองค์ี่สามก็เปลี่ยนองค์ที่สี่ก็เปลี่ยนไปด้วยยนะจนในที่สุดเนี่ยท่านตุนลาันทาก็ยังไม่รู้สึกว่ามัน มันมากกินมันรู้สึกน้อยทำให้นึกถึงเรื่องกองข้าวน้อยข้าแม่เพราะความหิวจัดเข้าใจว่าแต่ข้าวเหนียวที่อยู่ negative, ในกระติ๊บ่ในกองข้าวเนี่ยมันน้อยไม่สามารถจะกินอิ่มได้โมโหหิวข้าแม่ เสร็จแล้วก็นั่งลงกินปรากฏเราเหลือตั้งเยอะนี่ก็คือความหิวเนี่ยมันพยายามที่จะตอบสนองทางใจที่จริงไม่ใช่ตตอบสนองทางกายหรอกกายมันไม่แสดงมไม่แสดงอะไรแต่ว่าพยายามตอบสนองทางใจของตัวเองความอยากที่บังเกิดขึ้นภายในใจของตัวเองดังนั้น มุนไปมุนมาก็บาทของท่านนั่นแหละพอถึงพิจุนีรูปสุดท้ายท่านก็ส่งบาทนั่งกลับมาถึงท่านแต่ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเปลี่ยนหมดแล้วทุกบาทแล้วท่านยังรู้สึกว่าน้อยก็ในที่สุดก็ฉันอาหารในบาทนั้นแหะแทนที่จะฉันรอ้รอนๆหน่อยก็เลยฉันเสือเย็นเลยเพราะมัวเปลี่ยนกันอยู่ ปนใจที่ปรารถนาเนี่ยมันมันไม่นิ่งํำนองลคล้ายๆกับเรารับประทานอาหารบุนโต๊นี่นะคือถ้าเราไม่ทำใจให้ยินดีในอาหารเท่าที่มีบุนโตเนี่ยวันนั้นก็รับประทานอาหารไม่อร่อยไอ้ น, นั้นก็ไม่ถูกปากอ น, นี้ก็ไม่ถูกปากไอ้ น, นั่นก็ไม่ถูกปากจ้าเป็นชาวบ้านบางทีก็ ลูกขึ้นไปกินข้างนอกแต่หากินข้างนอกไม่พอใจเนอาหาบุตรโตแต่ว่าอาหารนั้นชี้จริงมันเป็นอาหารของเป็นอาหารของกายอาหารแปลว่านําผลมามันก็นําผลมาสู่ร่างกายประการสําคัญว่าขาจาัดความหิวเก่าได้ไหมป้องกันความหิวใหม่ได้ไหม ให้เกิดความอิ่มไม่เกิดร่างกายมีกำลังแข็งแรงสุขภาพประลาดหนำไม่ดีก็ไม่จะอิ่มมากเท่าไหร่หล้วก็อิ่มไม่พอเรารู้สึกว่าอิ่มเดี๋ยวก็ดื่มน้ำดื่มเกอรับประทานของหวานอะไรนิดหน่อยก็สบายแล้วแต่เราก็แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ในกรณีนี้เป็นผ้า อยนี้เป็นผ้าเราจะเห็นว่าท่านก็เ น, น้นที่ผ้าจํานําพันษาซึ่งเขาผืนไม่ใหญ่หนะมายความม่ารับมาเท่าที่ก็ถาวายนั่นแหละแต่ทําใจพอใจยินดีมันก็พอแล้วแต่ถ้ายังปรารถนาอย่างนั้ น, อ ย, น, นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่หรือปรารถนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนกระเพื่อนไปเรื่อยๆอย่างทุลนันทานนั่นแหละ ดังนั้นพระเจ้าจึงรับสั่งว่าความปรารถนาของผู้ใดไม่มีอยู่ในโลกนี้นี้พูดถึงภาษาดิบุตรนะครพูดถึงภาษาดิบุตรเพื่อเพงสูบฟังแล้วก็ดูภาษาดิบุตรเป็นตัวอยา่างว่าที่เธอไปคิดแล้วไปวิพากษ์ว่าภาษาดิบุตรเฉลยยังมีตัณหาอยู่เนี่ยเธอต้องดูว่า สรีบูร์นี่ปราถนาเพื่อตัวเองหรือเปล่าก็เปล่าแต่พระผ้าจะนำพันษาแล้วท่านก็ไปก็นทะ่านแต่ว่าญาติโยมต้องการถวายผ้าจำนำพันษามากพระห้าร้อยเนี่ยรับหมดแล้วแต่ผ้ามันยังเหลือทนยังไงเพื่อตอบสนองศรัทธาของโยม แต่เจ้ า, าก็ไปบอกพิสมณีในที่ที่ท่านไปแล้วก็คงไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่นะท่านเหล่านั้นก็มารับผ้จาจํานังพรรษาจะดูมที่นี่ก็ยินดีพระที่อยู่เดิมก็ไม่รู้สึกอิจฉาหรือเสี ย, ยอะไรเพราะท่านได้แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมที่เพื่อนได้ผ้าจํานำพรรษา อยาโยงก็ชื่นชมแต่และฝ่ววายก็ชื่นชมเพรา ะ, ะเขาไม่ได้ติดใจในพระที่มาครับไม่ได้ติดใจในพระเนนที่มารับแต่ไปติดใจที่菩าริบุนไปนติดใจที่菩าริบุรคือการตัดสินพระอาหารหันต์นี่ยากนะเราไม่มีทางรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เพราะท่านไม่บอกเราอะเรารู้ได้ไง ใจท่านเหนือกว่าเราไม่รู้จะกี่ร้อยปีพันเท่ามีสามเณรรูปหนึ่งเดินตามหลังพระหมากาตะปะเทระไปในเรื่องเกิดสงสัยถามมาตตาเท้าที่เขาบอกว่าพระอรหันต์พระอาราหารันต์นี่เป็นยังไงยังไม่เห็นผมไม่เห็นพระอาราหันต์เลย พระเถระก็บอกว่าไม่แนะ่เรกเนนบางทีคนเดินตามหลังพระอาหารหันต์อยู่ก็ไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอาหารหันต์เนนก็ไม่เข้าใจนะผู้ขนาดนะั้นเนนก็ไม่เข้าใจว่าทาั้งๆที่จริงที่เนนเดินตามหลังยืนนั่นแหละคือพระอาหารหันต์แต่อราหันต์ท่านอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่อาการข้างนอกอาการข้างนอกมันจะเป็นไปตามวาสนาของท่าน เราจะให้ปกรกลิกภาพของท่านเรียบร้อยติมติมไปหมดเนี่ยไม่มีอ่ะท่านก็เป็นคนอ่ะท่านก็เคลื่อนไหวแบบคนอ่ะพระเทราที่ถือว่าสำรวมระวังอินทรีย์ได้ยอดเยี่ยมเป็นจุดเด่นเลยส ง, ง่างามากเดินมานิสง่ามากสวยงามมากก็คือพระนันทะพระนุชาของพระพุทธเจ้า ทำไมท่านเป็นเช่นนั้นล่ะมันเป็นลีลาของพระยาราชสีหมายความว่าหลายชาติเนี่ยท่านเกิดเป็นราชสีมันก็ติดอยู่ในจิตสัณฐานของท่านพระยาราชสีก็ยื่งย่างย่างไป ส, สยวยงามสง่าคารวบําเกรงรือพระบางรูปเนี่ย พระบางรูปเช่นพระปิรินทวชชาก็เรียกวัดสลรวาทะพระปิรินทวชาาทวชาเป็นพระอราหันต์ที่เทวดารักมากที่สุดองค์หนึ่งเพราะว่าในชาติบางก่อนในท่านช่วยคนให้ทําความดีและบังเกิดเป็นเทวดาไปอยู่ร่วมกันที่สวงสวรรค์นี้เยอะมากทีนี้ท่านก็มีบุญมากท่านก็ยุติมา บังเกิดในโลกมนุษย์แล้วก็ข้าบวชบำเพ็ญเพียรบรรลุมรุ่ผลเป็นรหาหันเทวดามาห้อมล้อมมากราบไหวมาบูชาท่านสรารภัดร้อยสีพันญยาปพระยาพิมีสารเคยถวายปฏิญาณกับท่านไว้ว่าจะสร้างกุฏิถวายในฤดูข้าวปั่นสาเน กุติก็เป็นกระต๊อบอย่างมากก็หเสาไงนะก็เป็นชานเป็นชานสองเสาแล้วก็เป็นตัวกุติตัวกระต๊อบเนี่ยก ส, สี่เสารวมแล้วก็เป็นหกเสาเท่านั้นเองสร้างแบบง่ายๆวันเดียวก็เสร็จละไม่ถึงวันก็เสร็จละคุณสสามคนช่วยกันสร้างโครงครามโครงครามพักเดียวก็เสร็จละแต่พระราชานั้นมีราชากิจมาก เราแล้วลืมเลยเราแล้วลืมก็แปลกนะพระเจ้าประเสนในกุศลก็ลืมเก่งพระเจ้าพิมิสานเนี่ยก็ลืมพระเจ้าพิมิสานที่จริงไม่น่าลืมขนาดนั้นนะเพราะว่าท่านเป็นพระสูตร บ, บ์แต่ว่าราชภาระที่ดึงไปดึงมาคนนั้นเพชทุนตรงนี้คนนั้นเพทุนเรื่องนั้นหอาไร ต, า ต, าต่าง เขลืมก็ลืมนะฮะคนก็ลืมก็ลืมไปเลยตกถึงระดูข้าวพันษาปรากฏว่าพระปิรินทวัชชะนั้นเออท่านจะหาวิธีอื่นก็ได้แต่ว่าพระเจ้าปิมสานปวนาไว้นี่มันทำไม่ได้เลยก็จำพันษาต่างแจ้งประจาประจำภาษาการแจ้งเทวดาก็คุ้มครองนทนี้ ป้องกันไม่ให้ฝนตกบริบาลของท่านที่เป็นเทวดาเป็นจานวนมากนี่มาคุ้มครองไม่ให้ฝนตกคนก็เดือดร้อนกันปรากฏว่าเป็นอย่างนี้อยู่นานหาสาเหตุไม่เจอว่าทำไมฝนไม่ตกพอหาเหตุเจอปรากฏว่านับวันไปนับวันแต่ถวายปฏิญญากับท่านไว้เนี่ย จนถึงวันที่พระเจ้าปิมิสารรู้เนี่ยห้าร้อยวันร้อยวันก็เรียกว่าปีกว่ากว่าจะปีกว่ากพระเจ้าปิมิสารเลยก็สร้างกุฏิถวยชชายชดใช้ห้ารอหลังเอาหลังละวันทีนี้ท่านไม่มีความปรารถนาเนี่ยกุฏิหลังเดียวก็พอแล้วท่านก็ เอาหลังเดียวนอกนั้นท่านก็แจกให้ชาวบ้านยากจนจะอยู่อาศัยกันเรียกว่าปิลินทวชขามเป็นหมู่บ้านของพระปิลินทวชะอันนี้มันมันก็ทำให้คณะสงฆนี่เกิดงานสังคมสงเคราะห์ขึ้นเปรียการอย่างนี้มันมันเกิดขึ้นซ้ำซากและพระก็มีศักยภาพที่จะทำอย่างนั้นได้ องค์ใดท่านมีศักยภาพท้องกระทับก็กลายเป็นงานสังคมสงเคราะห์ขึ้นมันเป็นพัฒนาการทางสังคมระหว่างพระกระชาบ้านที่จะต้องเกื้อกูลกันเพราะในที่โดกจึงแสดงว่าสงเคราะห์ชาวบ้านโดยน้ำใจอันงามต้นแบบก็คือเนี่ย ต้นแบบที่จริงมันมาตั้งแต่โน้นนะฮตั้งแต่พระพุทธเจ้าให้ปราณ น, นบวชเด็กเด็กที่พ่อแม่ถูกฆ่าตายหมดแต่ตัวเองอย่างเล็กมากและไม่มีญาติเอาไมา้บวชเนตรทางตนที่บวชเนตแต่ก่อนเคยห้ามไปทีงนะครับเนตเล็กเกินไปก็หิวข้าวตอนเย็นยุ่งร้องโหยมวร้องไห้โวยวายกันอุตรุดไปหมดเลยไม่รู้จะทำยังไง แต่พอเกิดปัญหานี้ขึ้นมาก็ต้องหาทางออกหาทางช่วยเหลืออี่ยพระก็เดินมาเนี่ยที่จริงมันมีที่ไปที่มาแต่นั้นที่พระทากันอยู่เนี่ยเป็นงานโดยรวมเขาเรียกว่าสาธารณสงเคราะห์เป็นสาธารณสงเคราะห์อะไรบ้างก็ไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่ทีนี้ท่านที่ไม่มี ความปรารถนาของผู้ใดไม่มีอยู่ในโลกนี้และในโลกหน้าพระสารีบุตรนั้นไม่มีทั้งสองโลกนะเพราะว่าท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดให้เกิดพบพบแรกก็คือสังขารพบนะฮะพบที่สองก็คืออุปตติพบเราเรียกผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีความปรารถนา ภาษารีบุตรจึงมีความปรารถนาออกไปแล้วคือหาความปรารถนาไม่ได้แล้วก็เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเป็นหลุดพ้นประเภทจริงๆคือเป็นสมุทเฉตวิมุติเป็นปฏิปัตสสธิวิมุติเป็นนิสระนาวิมุติคือพ้นเด็ดขาดพ้นโดยสงบพ้นโดยออกไปจากอานาจของกรรม จากอำนาจของกิเลสจากอำนาจของสังสารวัติเป็นการหลุดพ้นด้วยประการทาั้งปวงที่สุขฟังแล้วก็เข้าใจก็ดีน ะ, ะท่านไม่วิภาควิจารไปมากคือคนเราบางทีนี่เรื่องที่เราเอามาพูดเนี่ยเราไม่ก็รู้ที่ไปที่มา แลยไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยสังเกตที่ไปที่มาเรื่องมันเรื่องมันยาวอ่ะเรื่องมันเรื่องมันยาวแล้วเราต้องศึกษาภูมิหลังที่เราพุทธเจ้าทรงศึกษาภูมิหลังของคนแต่เรานี่ไม่มียานอย่างรู้ภูมิหลังเพราะข้อมูลส่วนตัวของเราจึงไม่ถูกต้องหรอกไม่ถูกต้องทั้งหมดหรอกใครอยากเก่งยังไงก็ตามแหละเอาจริงเราไม่ถูกต้องทั้งหมดห เพราะว่า้ภูมิหลังของแต่ละเรื่องเบื้องหลังของแต่ละเรื่องเนี่ยเราไม่รู้ว่าคืออะไรความเป็นประหารอย่างที่บอกว่าท่านเป็นที่จิตของท่านแต่ว่าเวลาท่านสื่อสารกับชาวบ้านท่านก็ใช้การมาวจรจิตใช้ภาษาชาวบ้านผูงแงไม่ใช้ภาษาชาวบ้า น, า น, ไ, าาาานไม่ใช่ว่าเป็น professor ฟฟแล้วก็ใช้ภาษา ของศาสตราจาราย์ใช้ภาษาทางวิชาการกระเด็กคือบางครั้งฟังการอภิปรายอะไร่าไรต่างๆที่ถ้ามีโอกาสก็ก็ชอบฟังอยู่ก็เราก็เห็นว่าบางทีมันเป็นนักวิชาการเกินไปมันเข้าใจแต่วิชาการแต่ไม่เข้าใจคน เรานำวิชาการมาสู่คนเพราะจะต้องผ่านคนให้ได้เพื่อนําคนเข้าสู่วิชาการแต่ทีนี้ถ้าตัววิชาการมาเกิดเป็นปัญหามันก็ไม่เข้าสู่คนเมื่อไปสู่คนก็คนก็ไม่สามารถจะเข้าสู่วิชาการได้เพราะอะไรพอนยากเกินไปมันยากเกินไปภาษาเหล่าเนี้ยใช้ กับคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่คนที่เป็นการสาธารณะอย่างการบรรยาในรายการนี้คือคือเราพูดเป็นการสาธารณะถ้าเราจะเอ า, เอาพันจเาภาษาทางวิชาการมาพูดอยากสอนประสูมสอนอภิธรรมในชั้นเรียนแล้วก็จบกันมีคนควางอยู่กลุ่มเดียวเล็กๆ ฟังบ้างไม่ฟังบ้างอย่างเทศในโบสถ์เนี่ยมันก็อีกอย่างหนึ่งเทศในที่อบรมประชาชนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเขเรียกว่าต้องมองผ่านคนให้ได้ก่อนถ้าเรายังผ่านคนไม่ได้เนี่ยเรานําวิชาการเข้าสู่คนไม่ได้ เมื่อวิชาการสู่คนไม่ได้คนก็ไม่เข้าถึงวิชาการเหล่านั้นเมื่อไม่เข้าถึงวิชาการเหล่านั้นเขาก็ไม่สาเร็จประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังวิชาการเหล่านั้นแต่ภาษาที่พระเจ้าทรงสอนเราจะเห็นว่ามันก็ง่ายสัหรับท่านเหล่านั้นเป็นในยะให้เข้าใจว่าราษาดิบุตรนั้นคือพระอาหารหันต มันไม่เป็นอย่างที่ท่านพูดหรอกต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงครัน้นี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี